อุชาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตาในหลวงพัอผีนานอยู่ต่อจัดความว่าไม่วางความทุกข์ตอนที่หนึ่งก็งงๆตัวเองว่าคือกลับไปมันก็ฟังหลวงตาแล้วก็ เหมือนภาวนามาก็รู้สึกว่ามันมันก็วางไปได้เยอะแล้วค่ะแต่ทําไมมันแบบมาตกมาตายตอนเนี่ยค่ะวันสองวันนี้เองเหมือนพอป่วยปุ๊บแล้วแบบใจตกแล้วก็แบบร้ายเลยอ่ะค่ะดูมันเหมือนขึ้นขึ้นลงลงยังไงไม่รู้ค่ะ เราก็สู้กับมันเดือดแพ้มันจะยอมแพ้มันจิตมันไปไปคิดไปปรุงทำให้จิตใจเศร้าหมองจิตมันจะเศร้าหมองได้มันต้องมาจากความคิดมันไปคิดไปปรุงไปคิดไปปรุงอะไรทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้จิตใจเราพอดีเราพอดีเราไม่มีอาการพอมีอาการหนึงว่ามีอาการอย่างงี้เรากลัวตาย พอเราไปคิดกลัวตายปรุงแต่งกลัวตายมันก็เลยทําให้เศร้าหมองเลยเนี่ยมันทําให้ให้เศร้าหมองเพราะว่ามันไปคิดปรุงแต่งกลัวตายใ้ตอนนี้ยพอมันกลัวตายแล้วเนี่ยมันเศร้าหมองไปแล้วเราจะไปพิจารณาความตายพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาไม่ได้จิตไม่มีกําลังไม่มีกําลังพอจะพิจารณาได้เราต้อง ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องให้บริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ใครเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะลํมคานเราก็แอบบริกรรมของเราเบาๆแต่รู้เบาๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยืนเดินนั่งนอนทากิจการอะไรเราก็แอบ แต่รูบริกรรมพุทโธเราเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องไปบวกกับท้าที่เดินไม่ต้องบวกกับลมหายใจเขาออกพุทโธเฉยพุทโธอย่างเดียวเลยไม่ต้องบวกกับลมหายใจเข้าออกไม่ต้องบวกกับท้าที่ก้าวเดินนะก่อนที่เราจะบริกรรมพุทโธนึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณคุณบิดามารดาพระแม่ครูบาอาจารย์นึกถึงผู้ที่เขารบนับถือก่อนแล้วก็น้อมลมลงที่ใจกับบารมีของเรามันก็สะสมไว้ที่ใจอั่นะ บุญบา ร, รมีเราสะสมที่ไหนนะครับสะสมที่ใจของเราเนี่ยหรือจิตของเราเนี่ยแน่จิตที่เป็นหรือวิญญาณที่เราไปเกิดถ่ายล่างไปเกิดในแต่ละชาติมันไม่ดับไอ้ไอกายเนื้อไอ้ขันห้าเนี่ยมันดับไปหมดแต่ไอ้วิญญาณเนี่ยมันไม่ดับมันก็ถ่ายล่างไปเรื่อยบุญบา ร, รมีที่เราส่องตมมาทุกชาติทุกชาติมาแต่ละคนเกิดมาเป็นอนันตการพระเจ้าตรัสว่าเราคนเดียวกองกระดูกเท่ากับภูเขาใหญ่ร่างกายเราเนี่ย กองกระดูกเท่ากับภูเขาลูกใหญ่เลยเนยกระดูกเราคนเดียวเนี่ยเพะนั้นเราเกิดมานานมากหลายชาติบาปเราก็ทํามาเยอะบุญบา ร, รมีเราก็ต้องทํามาเยอะถ้าผู้ที่สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมอย่างเนี้ยน่าเชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยต้องเคยเกิดมาในสมัยพุทธเจ้ามาแล้วหลายองค์พบพุทธเจ้าพบอาหลานมาแล้วจานวนมากเคยปฏิบัติธรรมความเพียรมาเยอะมากแล้วบาปกรรมก็ทํามาเยอะบุญก็สร้างมาเยอะจึงมาสนใจประพฤติปฏิบัติธรรมและเข้าใจธรรมได้ ได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ความที่เราเนี่ยยังไม่ได้ใส่ใจจริงๆจังมาแต่ละชาติเราก็ ย, ยังไม่ได้พ้นทุกข์จริงๆเราจึงมาสนใจในเกณฑปฏิบัตินั้นบุญบรารมีที่เราส่งสมไว้ในในในวิญญาณที่มันยังไม่มันยังเป็นวิอวิชามแลยพาเกิดได้วิญญาณบวกกับอวิชามันจึงไม่ได้เป็นจิตวิญญาณที่เป็นธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุสุญญาตาธาตุที่เป็นกับคืนตัวธาตุบริสุทธิ์ไอ้ธาตุรู้หรือนิพพานธาตุหรือสุญญาตาธาตุที่เป็นธาตุรู้บริสุธ์ คือมันมันดับอาวิชาภายในความรู้แล้วมันสิ้นความหลงแล้วจึงเป็นาธาตรู้ที่เป็นรู้ไม่หลงไอ้รู้ไม่หลงเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกภาษาเรียกว่าวิญญาณธาตุนิพพานธาตุสุญญาตาธาตุหรือเรียกว่าพุทธะตูตามหาบวเรียกว่าธรรมธาตุหรือเรียกว่าพุทธะธาตุหรือเรียกว่าอารหันธาตุนิพพานธาตุก็ได้คือมันเป็นธาตุรู้ที่ไม่หลงแล้วแต่นี้ถ้ายังหลงอยู่มันก็ยังพาเกิดไอ้รู้เนี่ยพาไปเกิดอยู่ยังไม่ดับ ยังไม่หายคืนหายไปเป็นความว่างจักรวาลตัวมันไม่ดับหรอกแต่มันจะคืนหายไปในความว่างจักรวาลแล้วมันจะไม่ไปเกิดใหม่เป็นร่างใดต่อไปแต่แม้จะคืนหายไปในความว่างจักรวาลเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรายังเกิดดับเกิดดับเกิดดับในร่างต่างๆไปมันจะมีอวิชชาอยู่บุญและบาปมันก็ติดอยู่ในนั้นแน่ติดอยู่ในจิตหรวิญญาณที่พาเกิดเนี่ยพาเราไปเกิดในร่างต่างๆนั่นแหละบุญและบาปก็ติดอยู่นี่ไอ้ส่วนบาปเนี่ยเราไม่ต้องเอามันมาใช้ เพราะว่าเราไม่เอามัมาใช้มันก็ตามชะใช้นี่เราอยู่แล้วเรานึกถึงกุ บ, บุญกุศลที่เราทํามาแล้วทุกความบุญความดีทุกภพทุกชาติเอามาบวกกับพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณคือความเมตตาของพระพุทธเจ้าไม่มีที่สุดใประมาณทุกพระองค์ของพระธรรมของพระญาสงฆ์มีมาแล้วทั้งหมดทุกพระองค์พระคุณบิดามารดาเทียบเท่าคุณของอรหันต์พระคุณของครูบาอาจารย์และกุบุญบา ร, รมีที่เราสั่งสมมาแล้วติดอยู่ในจิตเรานี่ไนงะติดอยู่ในจิตของเรา เขามารวมกันแล้วก็เอามอน้อมรวมไปที่ใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทตธอาจจะน้อมแล้วก็ทิฏฐานว่าวก็ให้ธาตุทุกธาตุธาตุทุกธาตุหรือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟที่ประกอบเป็นร่างกายเราแล้วก็ธาตุธาตุจิตหรือธาตุใจธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุเนี่ยที่บวกกับวิชาเนี่ยธาตุทานบางท่านก็กหกธาตุคือบวกอากาศด้วยหนึ่งธาตุ ที่มารวมเป็นตัวเราร่างกายจิตใจของเราแล้วเป็นขันธ์ห้าจะมีความรู้สึกควคิดอารมณ์คือทําให้เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตขึ้นมาถ้าเรามีแต่ดินน้ําลมไฟเนี่ยมันจะเป็นตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้แต่มันเดินไม่ได้พูดไม่ได้คิดไม่ได้มันมีความรู้สึกไม่ได้แต่ถ้าเรามีธาตุวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยมารวมมีหนึ่งธาตุมันเลยกลายเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เหมือนเราจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ที่ตัวเราเนี่ยเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้แต่มัน นี่ยนั้นเราก็อธิษฐานขอให้ธาตุทุกธาตุเนี่ยมันกลับคืนสู่ความเป็นปกติธาตุทุกธาตุขันทุกขันคือธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็บวกกับธาตุรู้ห้าธาตุเนี่ยที่มารวมเป็นร่างกายจิตใจเราที่เป็นตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มีจิตใจเราเนี่ยแล้วก็เป็นมากลายเป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณแล้วก็มาอธิษฐานในธาตุทุกธาตุที่มารวมกันเป็นขันทุกขันเนี่ยหรือเราเรียกว่า สสารคือส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็พลังงานส่วนที่เป็นนามขันหรือว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันเป็นพลังงานเป็นคลื่นเป็นเวฟเวลาเราคิดเรนเป็นคลื่นเป็นเวฟอธิษฐานในท่าทุกขานทุกขานสสารพลังงานและความว่างหรือธาตุรู้เนี่ยมันสมดุลกันเป็นปกติตามธรรมชาติกับคลืนสู่ความเป็นปกติธรรมชาติสมดุลตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติตลอดเวลาตั้งแต่บัตรดิไปต้นไฟเทิร์ เราละกอดทิฏฐานรวมลงในพุทโธคํำวิษฐานเราจะขอให้รวมลงในพุทโธหรือผู้รู้จิตผู้รู้ผู้รู้ที่ไม่หลงอีกแล้วแล้วเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ไปบวกกับเท้าที่ก้าวเดินไม่ไปบวกกับลมหายใจเขาออกเราก็พุทโธพุทโธพุทโธเมื่อเราทิฏฐานแบบเนี้เราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทิถีไม่ช้าหรอกจิตที่มันหดอู่มันท้อแท้มันหดอู่มันซึมเศร้าเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากอารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้นกลับมาเป็นปกติ จะกลับมาเป็นปกติได้ง่ายได้อธิษฐานซะก่อนแล้วก็เมื่อมันปกติแล้วอย่าไว้ใจแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุมโธพุทโธพุทโเพรทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุาจธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกุทโธพุทโธาุทโธพหนักไว้ มันก็จะมาตัดรอนแต่ถ้าเป็นกรรมกรรมเบาบางเราก็แผ่วที่สุกุสุนใ้เขาซะที่เรามาละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็มาฝึกฝนจิตใจเนี่ยให้มันสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสเนี่ยมันเป็นบุญกุศลเราก็แผ่วที่สุภุศลนใ้เขาซะเจ้า ก, กรรมในเวทที่มาดึงมาล้งเราทําให้เราเนี่ยค่อยคอยจิตใจเราค่อยตกต่ำไปเรื่อยทาให้เรามีปัญหาอย่างกันมีปัญหาเรื่องนี้บาที่มาดึงจิตใจเราไม่ได้มันก็ไปกระทำแต่คนก้างเคียงเราทําให้คนก้างเคียงมีปัญหาจิตเราแล้วก็ตกอีกด้วย คือทำอยังไงก็ตามขอให้จิตเราตกได้เขาก็ชอบใจและพอใจเขาก็ลุมเล่นงานเราได้เราก็ต้องรักษาใจเราจะ ย, ยังไงไม่ให้มันตกอย่างเดียวแล้วเราก็อุทิศตัวู้ตนให้เจา้ากรรมในเวรเราอุทิศตัวตนให้มากๆเราผู้ตนผุ้ตนผู้ตนผู้ตนผูตจิตมันสงบแล้วจิตมันกลับมาเป็นปกติแล้วก็อุทิศทีหนึ่งแล้วก็แล้วก็ทํำต่ออีกว่าจิตมันสงบเป็นปกติแล้วก็อุทิศทีหนึ่งวันอาทิตย์ได้หลายรอบเจ้ากรรมในเวรที่มันดึงแคร่ดึงขาดึงจิตดึงใจ โดนบันดาลให้คนรอบข้างเราเนี่ยมีปัญหาแล้วตัวเราก็มีปัญหาจิตใจก็มีปัญหาเนี่ยทําให้จิตใจเราตกเราเสื่อมเนี่ยมันก็เล่นงานเราได้พอเราแผ้ไม่ตายเข้ามามากมากเข้าไอที่มันบอบางก็หมดไปไอที่มันก็จะเหลือแต่หนักๆกรรมหนักๆที่เราทําก็เข้าไว้กรรมหนักๆเช่เราไปไปไปฆ่าฆ่าสัตว์ฆ่าคนเบียดเบียนชีวิตอื่นสัตว์อื่นเนี่ยอันนี้มันกรรมหนักๆพวกนี้ยมันยังเหลืออยู่ ไอ้คำเบาบางก็หมดไปคำเล็กๆน้อยๆต่างๆเนี่ยแต่คำหนักๆก็ยังเหลือเหลือเราก็แฝ้อีกแฝงอีกแฝงอีกมันก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆนั่นแหละมันก็จะทําให้ใจิตใจเราฟื้นคืนกลับคืนสู่ความเป็นปกติพอเป็นปกติแล้วก็มาปฏิบัติธรรมอย่างที่หลวงตาสอนนั่นแหละค่อยล่มเข้าสู่กระแสธรรมได้แต่เราก็อย่าพมาาอีกพอเข้าสู่กระแสธรรมอะไรพอมันเป็นปกติแล้วเป็นปกติแล้วนะถึงเมื่อเร่งน้อมนํา ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายตายแล้วก็ค่อยๆเน่าเปื่อยผุพังสลายไปแล้วไปเผาเไบเผาตายแล้วธาตุน้ากับเอธาธาตุลมก็ไปก่อนนี้หายไปก่อนธาตุไฟความร้อนก็ดับไปร่างกายก็แข็งตัวแข็งเย็นชื่นที่หมอก็เห็นแล้วว่าไปไปเข้าห้องดับจิตอ่ะออกจากห้องดับจิตมาก็ตัวเย็นชื่อตัวแข็งศพแข็งเลยเวลาเข้าออกมาจากห้องดับจิตแล้วก็เขจะนัดญาติโยมมา นัดญาติพี่น้องมามาลดน้ําสบต้องมือต้องหักมือนะงัดมือกันออกมาให้มือเนี่ยมันมันแบมือออกมาจากผ้าขาวได้มันแข็งแล้วพันลุ้งขึ้นเนี่ยแข็งเลยเพราะมันเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ําธาตุลมกับธาตุไฟมันออกไปแล้วความอบอุ่นหายไปแล้วธาตุลมใจก็ไปแล้วเพราะธาตุลมธาตุไฟเป็นธาตุอาศัยส่วนธาตุดินกับธาตุน้ําเนี่ยเป็นธาตุหลักเพราะว่าธาตุดินเนเริ่มจนมาจากสเปิร์มของพ่อธาตุน้ําเริ่มมาจากไข่ของแม่แล้วก็ กินซากพืชซากสัตว์เข้าไปก็กลายเป็นธาตุดินธาน้ำเป็นธาตุหลักแล้วก็เริ่มเน่าเพราเรากินเอาซากศพที่ตายเราไม่ได้กินสัตว์เป็นนะเรากินซากศพที่ตายเราเนี่ยกินซากศพทุกวันเนี่ยซากศพวัวซากศพควายซากศพหมูซากศพเป็ดซากศพไก่ซากศกุ้งหอยปูปลาเรากินซากศพทุกวันนะเราเนี่ยเหม็นสาบมันจะตายตัวเราเนี่ยเหม็นสาบเหม็นสางจะตายแต่เรากินด้วยกันเราเลยไม่รู้สึกต่างคนต่างมันเหม็นสาบเลยมันไม่รู้สึกแต่เราเนี่ยลองดูดิ แม้แต่หมาเนี่ยที่มันไปกินซากซากเป็ดซากไก่มาเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมันมีหมาที่กินซากเป็ดซากไก่ซากอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในนี่นะเราในนี้นั่งไม่ได้เลยต้องไล่ตีนมันออกไปเหม็นมากเลยอะ่ะหลวงปู่ ม, ม่านถามเทวดาว่าทําไมจึงไม่มากลางวันเนี่ยมาแต่กลางคืนบอกว่ากลางวันมาไม่ได้มันเหม็นสาบ คนไม่ไหวเลยใกล้เข้าใกล้มนุษย์เนี่ยมันมนุษย์เนี่ยเหมือนกับไปกินเอาซากศพเหมือนหมาที่ไปกินเอาเอาซากศพมาเนี่ยแล้วมันมาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยโอ้โหเหม็นจริงๆต้องไล่ตีมันออกไปพวกเราทุกคนเน่ยนเหม็นขนาดนั้นเทวดาไม่กล้าเข้าใกล้แต่เราต่างคนแต่มันกินซากศพด้วยกันทุกวันมันเลยรู้สึกหอมอืมรู้สึกหอมนี่แน่อันนี้เนี่ ย, อยพอเราเนี่ย ใจเป็นปกติแล้วเล็บเร่งพิจารณาเข้าหมอชอบไปจับสบายแล้วไม่ชอบพิจารณาพอใจเป็นปกติแล้วหมอชอบไปจับสบายแล้วก็ไม่ไม่ชอบพิจารณาเนี่ยเห็นหมอเห็นโทษตัวนี้ไหม mm hmm. อ๋อมันไปจับสบายแล้วเนี่ย mm hmm. เวลาเจ้ากรรมในเวรมันมาเล่นงานหรือเวลามีเรื่องกระทบใจมีเรื่องทางสามีเรื่องตัวเราเรื่องวุ่นวายต่างๆเ mm hmm. กี่ยวกันโยกย้ายเรื่องนู้เรื่อง น, นี้เรื่องสุขภาพร่างกายของเรา สุดท้ายมันก็ดึงเอาจนหดหู่จนซึมเศร้าได้มันไอความสบายเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ใครพ้นทุกข์แล้วหลายคนก็ชอบแบบเนี้ยพอให้พิจารณาไม่พิจารณาขี้เกียจพิจารณาชอบอยู่กับสบายเบาเบาสบายเบาเบาเวลามันมีเรื่องมันเอาไม่อยู่เวลาหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะตายแล้ว เป็นไงหมอกล่าไงพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะตายแล้วเป็นไงสติแตกใช่ไหมไม่มีคนไข้คนไหนรับได้เลยเนาะหมอเองก็ยังรับไม่ได้ใช่ไหมหมอแค่ เ, เ<อ>จ็บเจ็บนิดเดียวมันก็รับดดไม่ได้แล้ ว, ลวเจึงเจ้าแล้วเราจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเราจะตายไหมเนี่ยเราเป็นโรคอะไรอยู่ในเนี่ยในตัวเราในโล ก, กลําเริบไหมเนี่ยค่ะโอ้ยแต่นี้ก็สารพัดจะคิดแตกลูกแตกหลานออกไป เป็นนิดเดียวปวดท้องนิดเดียวโอ้โหเราคงเป็นมากโรคเก่ามันคงกําเริบคงอะไรหลายอย่างอันนี้ก็เสริมเศร้าเลยแบบนี้นี่เอาไม่อยู่หละไอ้ที่จับสบายเอาไม่อยู่ไม่มีใครเอาอยู่เลยเราเห็นหลายคนแล้วเออมีมีมีบางคนเนี่ยโอ้โหแบบว่าปฏิบัติชอบแต่นั่งสมาธิวาระห้าชั่วโมงหกชั่วโมงจับสบายจับนิ่งจับว่างจับโปง่งจับโล่ ง, จ, ลงจับเบาจับสบายอย่างนั้นแหละ เราก็บอกว่าอย่าทําอย่างนี้มันไม่ใช่ของจริงก็ไม่เชื่อเราบอกให้พินาเห็นสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงให้สิ้นความหลงยึดมั่นถือมัน่นก็ไม่เชื่อเราเราว่ามากๆเข้ากันหนีเราไปปฏิบัติที่อื่นไปนั่งจับอารมณ์สมาธิสบายอยู่หลายปีวันหนึ่งอ่ะผมเผาฟูเหมือนถูกไฟไหมเป็นกระเซิง เจอหน้าเราร้องโหม่ร้องให้อาจารย์ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยเอ่อทำไมเป็นอะไรเห็นไปปฏิบัติธรรมว่าไปนั่งสมาธิวันละทุกวันวันละห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอะม่ะหมอบอกว่าหนูเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายโอ้โหร้องให้สติแตกผมเนี่ยซูเป็นกระเซิงเลยหมดสภาพเลยสติแตกเลยหลังจากนั้นก็เป็นเจ้าหญิงนิทาไม่กี่วันเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนิทาไปเราไปเยี่ยมก็บอกว่าอาจารย์ พงศญาติพี่น้องที่เขาเป่าไข้บอกว่าเขาเป็นเจ้าหญิงนิทาแล้วพูดไม่รู้เรื่องหรออาจารย์นะ elet. เขาเป็นเจ้าหญิงนิทาไปแล้วเราไปยืนดูมันเจ้าหญิงนิทาอะไรเนี่ยใจข้างใน WY เป็นทุกข์มากเลยเออถ้าข้างนอกก็หลับใจข้างในมันก็หลับมันจะมีความสุขมากเลยนี่มันหลับแต่ตาข้างนอกใจไม่หลับเนี่ยพวกเราบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่เคยคิดอะไรใจข้างในไม่คิดอะไรเราสบายว่างโล่งโปร่งเบาสบายว่างโล่งโปร่งเบาสบายใจไม่คิดอะไร ไม่จริงว่ะไปดูถ้าสังเกตให้ดีๆตาหลับแต่ใจไม่หลับมันหลับแต่ตาแต่ตาในามันไม่หลับบอกว่าเป็นเจ้าหญิงนิทาเราไปยืนดูเอ๊ะมันหลับแต่ตานอกเว้ยแต่ตาในามันไม่หลับแล้วเนี่ยถ้ามันหลับมันก็ดีมันก็พ้นทุกเลย่มันไม่หลับเลยมันสารพัดจะคิดสารพัดจะทุกเนี่ยก็เลยไปพูดเนี่ยว่าอาจารย์นรงศักมาเนี่ยจะยินไหม ให้ปล่อยวางซะเนี่ยยึดมั่นหรือมั่นอะไรเนี่ยปล่อยวางเนี่ยยึดลูกอยู่เนี่ยให้วางซะทุกอย่างเนี่ยพบกันก็ต้องพัดพากมีแล้วก็ต้องจากไปมันเป็นสมมุติพลาดขันก็จะแตกจะดับแล้วสมมุติก็จะสิ้นแล้วให้ปล่อยวางเราพูดแค่นั้นเนี่ยลองให้น้ำตาไหลหลากลากหลากหลากญาติพี่น้องโอ้ยรีบมาเช็ญเอาไหนวะ เป็นเจ้าหญิงนิทามัน้วทไม่รงให้ได้เราบผ้ามาเช็ดน้าตากันแ่เราบอกว่านิทาอะไรมันนิทาแต่ข้างนอกใจข้างในมันเป็นทุกข์ใจข้างในมันเป็นทุกข์เราว่ามันหลับตานอกหลับตาในก็หลับมันจะได้เออสบายแต่นี่มันไม่หลับพาีคนเราแต่ละคนดูให้ดีเถอะบอกว่าไม่คิดอะไรใจสบายไม่คิดอะไรใจสบายสังเกตให้ดีเถอะตาหลับแต่ใจไม่หลับ ไอ้นั่นแน่คือความทุกข์อ้ที่ตาหลับแล้วใจไม่หลับเนี่ยมันคิดนั่นคิดนี้คิดนั่นคิดนี้นอนไม่หลับบอกว่าไม่ได้คิดอะไรใจสบายไม่ได้คิดอะไรใจว่างใจว่างไม่จริงอค่ะดูฮะตาหลับแต่ใจไม่หลับคิดนั่นคิดนี้คิดนั่นคิดนี้คิดนั่นคิดนี้ตลอดนั่นแหละไม่จริงเลยที่บอกว่าไม่คิดไม่อะไรเนี่ยไม่จริงนั่นแหละพอเราไปพูดเนี่แต่ละคนเนี่ยบางคนเปิดโรงเรียนสอนพลังจักรวาลด้วย แล้วก็เป็ น, หนโหบางคนก็เป็นเศรษฐีเศรษฐีก็รักษาโลกด้วยรักษาโลกคนอื่นด้วยเพราะเราไปเราบอกว่าปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางเขามาขอร้องให้เราไปหน่อยเราก็ไปแล้วก็พูดในปล่อยวางซะเนี่ยนอนจะตายแล้วนะตาหลับเดี๋ยวเนี้ตาเลยเหใจไม่ปล่อยวางเราบอกว่าปล่อยวางซะเราเห็นเปิดสอนโรงเรียนพลังจักรวาลนั่กกนเราก็เออเลยก็นึกว่ามันมันก็พอจะพูดได้นะเราเห็นว่าในไหนก็ถึงนึกฝึกขนาดนี้แหละเราก็เลย พูดในปล่อยวางโอ้โหพอเราพูดในปล่อยวางเนี่ยหรือ ว, ว่าเราไปบอกว่าจะต้องตายแน่แล้วโอ้โหตันนี้ยมือไหยกว่าอากาศเลยเรียกหาธุรกิจเรียกหาลูกเมียให้มาอยู่ใกล้ๆกลายเป็นเพอ้อไปเลยตันนี้เราพยายามไปปล่อยวางปล่อยวางให้สงบไม่วางเลยเนี่ยไอ้ที่ไปจับสบายจับพลังจับวางจับอะไรเนี่ยมันไม่จริงเลย มันไม่ใช่ของจริงเชื่อพุทธเจ้าเพื่อพุทธเจ้าจเห็นว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารร่างกายไม่เที่ยงสังขารจิตใ จ, จที่เป็นความรู้สึกมันคิดอารมณ์ความปรุงแต่งไม่เที่ยงขันอ้าเป็นของไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นี่ยเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเนี่ยเคยถามหลวงปู่สมัยว่าหลวงปู่ไอ้ไม่เที่ยงมันพอจะมองออกว่าไม่เที่ยงคือมันความ แ, แก่ความเจ็บความตายของทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงคือมันมี มันเกิดขึ้นแล้วก็มีเสื่อมแล้วผูพังสลายไปแต่ทุกขังมันแปลว่าอะไรจริงๆทุกขังอ่ะแล้วผูสมัยที่คายยโกะท่านบอกว่า ล, อลอ้อหลวงขวนคํากลับใช่ไหมหลองอขวนคํากลับทีทุกขังอ่ะเออมันเป็นที่ขังทุกขันห้าเนี่ยมันเป็นที่ขังทุกนี่มันเป็นที่ขังทุกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมัน ม, นมันเป็นที่ขังทุกนี่ไงเป็นเจ้าหญิงนิทาเป็นขนาด เป็นอาจารย์สอนเป็นพลังจักรวาลเป็นนู่นเป็นนี่สอนสมาธิสรือะไรก็เหมือนกันเนี่ยหลายคนเลยเห็นลัศดีแตกบางคนเป็นบ้าเลยเป็นบ้าจริงๆไองตอนหน้าตตาเราเห็นเนี่ยเป็นบ้าไปเลยอ่เป็นบ้าอลูกลูกไม่มามาแย่เล่นด้วยลูกก็ไม่รู้ว่าพ่อพ่อจะเป็นบ้าเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกินสิบวัน ลูกก็มาเล่นจะเอ๋เอาข้าวมาป้อนให้พ่อเจะเอ๋คว้ามือลูกไปกัดเลยกัดอุย้ยทำไมตาขวางเงี้ยโอ้โหตาแข็งแล้วขวางมากเลยต้องไปงัดปากกันชื่อกันงัดปากก็ออกมาจะแขนลูกสาวกัดตาขวางเป็นบ้าไปแล้วกลัวตายกลัวตายจะเป็นบ้าไปเลยเห็นไหม ไม่จริงนะไปนั่งนิ่งๆสงบว่างๆเบาๆสบายใจยิ้มไปยิ้มมาเนี่ยไม่ใช่ของจริงทําไมเธอรู้สึกว่าเ อ, อพอออกมาพิจารณามันเหมือนกับชีวิตมันโหดร้ายอะค่ะมันต้องเจอกับอะไรที่มันแบบเรารับไม่ค่อยได้อะะ่ะค่ะ ม, มันก่อนหลามก็เป็นแบบเนี้ยพิจารณาแบบเนี้ยแล้วก็มีเมื่อก่อนนี้ก็มีอยู่ท่านหนึ่งที่เป็น ผู้สาหัวหน้าคณะตอนนั้นมันอยู่สารอุทรนนี่ไงาทรนะหัวหน้าหัาวหน้าเาทอนตอนนั้นมีอยู่ท่านหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ท่านก็ยังอยู่แล้วก็มีมีท่านหนึ่งเป็นในเจ้าหน้าที่ศาลนี่ะ เ, เวลาน้อมพิจณาตรงเนี้ยความไม่เที่ยงของสังขารเนี่ยเป็นอย่างหมอเนี่ยคือเวลาน้อมไปแล้วจิตเขาหดหูเขานึกว่ามันเกิดนิพพิทายานนั่เนี่ย คือมันเกิดความเบื่อหน่ายเขาคิดว่านี่คือบหน่ายแบบว่านิพิทายานที่มันความพ้นทุกข์อ่ะนิพิทายานคือเกิดความเบื่อเบื่อเบื่อหน่ายที่มันจะพ้นทุกข์อันเนี้ยคือมันนิพิทายานแล้วมันจะเป็นวิมุติไงวิมุตแล้วก็นิพานเขานิกว่าไอ้เบื่อแบบเนี้ยเป็นมันเป็นมันเป็นนิพิทายานที่ที่เป็นนิพิทายานแล้วเป็นวิมุตแล้วก็นิพานไอ้นิพิทายานเนี่ยมันหมายถึงว่า มันเห็นในสังขารร่างกายและความรู้สึกมิคิดอารมณ์เนี่ยมันเป็นของที่เนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเลย <c> แล้วมันเป็นทุกขังคือเป็นที่ขังทุกมันไม่ควร ย, ยึดมั่นถือมั่นเลยแล้วมันเราไปบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้มันไม่อยู่ใต้อํานาจบังคับของเราแล้วก็ถ้าเราไปยึดมันเนี่ยเป็นทุกไม่ยึดไม่ทุกเออมายึดดีกว่าไว้ยึดแล้วเป็นทุก เลยเบื่อหน่ายที่จะไปยึดให้เป็นทุกข์ไอ้เบื่อหน่ายคือเบื่อหนายที่จะไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์ไปยึดในโลกนี้ก็เป็นทุกข์ยึดไอ้สังขารขันห้าก็เป็นทุกข์เลยเบื่อหน่ายที่จะไปยึดให้เป็นทุกข์มายึดอะไรดีกว่าไว้แต่ทําหน้าที่ไปจนกว่าจะตายแต่ไม่มียึดอะไรเป็นทุกข์เนี่ยเบื่อหน่ายอันนี้คือเป็นนิพพิทายานแต่อัที่ไปพิจารณาถึงความตายแล้วเศร้าหดหู เศ้าไปเลยซึมเศร้าเราเห็นแล้วโอ้ยไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกไอ้อย่างนี้ถ้าปล่อยคิ้งไปกลายเป็นโรคซึมเศร้าเลยถ้าใครวิจารณ์แล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่ยังไม่พร้อมพิจารณาคือจิตมีสภาว่าจิตที่อ่อนแอมากเลยถ้าอย่างเนี้จะต้องบริกรรมไม่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธโดยไม่ต้องไปผูกกับลมหายใจเข้าออกไม่ต้องผูกกับเท้าที่ก้าวเดินเพราะว่าไม่ทันหรอกไปผูกกับลมหายใจเข้าออกก็ไม่ทันผูกกับเท้าที่ก้าวเดินไม่ทันเพราะจิตมัน จิตมันยังไม่เป็นปกติถ้าเราเนี่ยน้อมแล้วจิตมันไม่หดหูเนี่ยแสดงมันเป็นปกติเนีงนั้นเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ข้อสำคัญเนี่ยก่อนพุทโธต้องน้อมซะก่อนเพื่อให้ธาตุขานมันเป็นปกติเร็วน้อมถึงพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บุญบารมีที่เราสั่งสมมาแล้วทั้งหมดภายในจิตเรานี่ยแหละเอามารวมกันในพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ แล้วขอให้ไปช่วยปรับไปช่วยแก้ไขจัดการแน่กุ้มครองให้ท่าทุกท่าขันทุกขัน ส, สารพลังงานและความว่างของเราเนี่ยจงกลับคืนสู่ความเป็นปกติตามธรรมชาติสมดุลตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติตลอดเวลาโดยเจริฐานให้เป็นสัมาทิฏฐิเป็นอริยามารรคอริยผลในปัจจุบันด้วยเทินหรือว่าให้สิ้นกิเลสบรรลุปณิพนิพัทในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเถินพอเรียดฐานนี้เสร็จแล้วก็ บริกรรมเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อในร่างกายเราเนี่ยก็ร่างกายจิตใจก็จะกลับมาเป็นปกติมีความแข็งแรงสบมบูรณ์บริบูรณ์ไอ้โรคทางใจก็จะหายโรคที่หดหู่ซึมเศร้าก็จะหายไอ้โรคทางกายเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นโรควิบากกรรมก็จะหายได้อหายได้นะโรคไร้แรงระดับโรคมะเร็งเนี่ยขนาดโรคมะเร็งเนี่ยมันลามจนเน่ามาข้างนอกเนี่ยเป็นมะเร็งที่กามเนี่ย เป็นมะเร็งที่กามแล้วมันลามมันเน่าข้างนอกเนี่ยเน่าจนอูหูมันถึงเนี่ยแล้วลามมัเน่าที่ตัวเนี่ยเด็จนกระทั่งเห็นในเห็นฟันเนี่ยเห็นฟันกามทะลุออกมาแล้วหมอบอกว่าเอากลับไปตายบ้านหมดทางรักษามันเน่าจนเละเทะหมดแล้วจะตัดจะปะอะไรก็ทําไม่ได้มันเน่าจนเละหมดก็เลยเอหมอหมดทางรักษาแล้วกลับไปตายที่บ้านเด็กันได้บริกรรมพุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอธิษฐานแบบเนี้ย อย่างที่ดวงตาพูดเนี่ยไอเซนมะเลงเนี่ยมันก็ลา ม, มาติดกันลา ม, มาติดกันสนิทเลยไม่ไม่มีปรากฏให้เห็นร่องรอยหเห็นเลยแล้วก็อยู่มาจนถึงอายุแปดสิบหกอยู่มาถึงโรคชลแล้าถึงแต่ความตายอยู่จากนั้นมาอี ก, อกหลายปีมากเป็นสิบปียี่สิบปีเนี่ยแล้วก็มาตายได้อายุ 86. แปดสิบหกเราว่าก่อนนั้น่ะเป็นมะเร็งมาก่อนนั้นแลว้วเพิ่งจะมารู้ที่หลักถนับจับ รับจากที่ที่มันเน่ามากๆแล้วเนี่ยเป็นเวลา10ปี20ปีเนี่ยแต่ก่อนนั้นคงเป็นมาก่อนแล้วแหะแต่พอมาด้วยหายด้วยอํานาจของพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยแต่ก็ท่องตลอดนะไม่หยุดเลยท่องทั้งวันทั้งคืนท่องทั้งวันทั้งคืนเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธต่องทั้งวันทั้งคืนเลยนะแล้วท่องจะมีอํานาจจิตเลยอ่ะมีฤทธิ์มากเลยอ่ะวันนึงเนี่ยไหลังจากโรกมะเร็งมาหายแล้วจนกรทั่งอายุแก่มากแล้ว เอาเสียบไปแส้หญ้ามั้งบนเนินดินเนี่ยตกกิ้งตกลงมาไอกระดูกเนี่ยกระดูกสะโพกนั้นมันหลุดเจ็บเบา้าแทนที่จะไปหาหมอเรียกเราอยู่นั่นแหะแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธเรียกเราช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเลยเนี่ยก็พุทโธพุทโธตอนเช้ามามก็หายได้เอา้าแล้วผมทไมไปไปหาหมอเนี่ยไม่ไปเรียกอยู่นั่นแหะแล้วก็หายหายความศรัทธานะ สัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกเราแล้ก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแกแกเชื่อมั่นศรัทธามากเลยเชื่อมั่นศรัทธามากหาคนที่เชื่อมั่นศรัทธาอย่างอย่างโยมเนี่ยยากไประจับพยานที่เราพูดเนี่ยมีอยู่เนี่ยพวกลูกสาวมานั่งอยู่เนี่ยหลายคนแม่แม่เขาแม่สมริ้นเป็นแม่เล็กเราเนี่ยเนี่ยลูกๆก็อยู่นี่กันเนี่ยเป็นเป็นประจับพยานนะแล้วว่าหาคนที่ มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์มีเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เนี่ยหาคนที่เทียบทเทียบกับแกไม่ได้แหละ ย, ยากมากเลยอความศรัทธาของแกไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งพุทธโธไม่ทิ้งเลยจนกระทั่งเนี่ยถึงวันที่แกไปนอนโรงพยาบาล น, นี่ะแกอายุมากแล้ว 86, แปดสิบหกไปนอนโรงพยาบาลพรอมจะเริ่มเป็นแผลอะไรที่ตัวปุบ๊บแกก็พูดโธไม่หยุดมันก็มาติดอีก พอเป็นเริ่มเป็นแผลหน่อยปุ๊บมันก็มีรอบรอบแผลก็เป็นใน ข, า, ขาวๆแล้วมีเลือดติ๊บๆมันก็ลามมาติดกันอีกแล้วพอเริ่มจะเป็นแผลเราไปสังเกตดูนะไอ้รอบแผลมันก็เริ่มมีมีเป็นเยือ่อขาวๆ ข, ขาวๆแล้วก็มีเลือดติ๊บๆมันก็ลามมาติดกันได้แต่มีเลือดมีเลือดมาเลี้ยงก็ติดใช่ไหมหมอพอในเลือดมีมีเชื้อโรคเข้าแสรกเพานอนโรงพยาบาล น, นานเป็นปีๆสองปีมั้งสองปีใช่ไหมสามปีนอนโรงพยาบาลสามปีสามปีพอมีเชื้อโรคเข้าแทกเพราะนอนอยู่นานสามปีเชื้อโรคเข้า เชือววออเช้อโรคเข้าพ่าหมอเป็นเชื้อโรคเข้ากําลังจะเอายาอะไรให้ดีเอาเชือ้อโรคไปไปวิเคราะห์ก่ อ, ขอขนพอกลับมาตรวจอีกทีเชื้อโรคหายแนละ้วพอร่างกายเป็นแผลแผลก็ติดเอพอเชื้อโรคเข้าเชื้อโรคก็หายเองอัตโนมัติหมอเ น, นี่ยงงหมดเลยอะ่ะหมอบอกว่ายายยายยายทำจิตยังไงของยายสอนหมอบัง่งเลขึ้นนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยร่างกายซ่อมตัวมันเองอัตโนมัติอะ่ะ นอนอยู่สามปีหมอบอกว่าถ้าอย่างนี้หนะ้าร่างกายซ่อมมันเองอัตโนมัติเชื้อโรค ก, ก็ทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนอนอยู่โรงพยาบาลสามปีอย่าว่าแต่สามปีเลยต่ออีกก็ไม่ตายใช่ไหมต่ออีกหลายปีก็ไม่ตายแต่คนจะตายคืออะไรลูกหลานที่เฝ้าไข้ <c oughs> เฝ้าไข่อยู่นอนอยู่โรงพยาบาลเป็นบ้านมาสามปีจะตายแล้วอีตอนแรกก็บอกว่าช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยแม่ยังไม่อยากตายแม่ยังไม่อยากตายช่วยแม่ด้วย หลังจากนอนโรงพยาบาลมาสามปีกลับมออนบอนล้วใหม่ช่วยแม่ด้วยให้แม่ไปอย่างสงบช่วยแม่ด้วยแม่ไปอย่างสงบลูกจัดลูกหลานจะตายหมดแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลสามปีแย่เลยช่วยแม่ด้วยให้แม่ไปอย่างสงบเอ า, เอาอยัางไงกันแน่อีตอนเข้าโรงพยาบาลใหม่ก็ช่วยแม่ด้วยยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายพอไปเฝ้าเฝ้าไข่สามปีติดต่อกันทุกวันหมดแตว่าหมอบอกว่า อีกหลายปีก็ไม่ตายร่างกายมันซ่อมอัตโนมัติอย่างเงี้ยได้เลยช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ไปอย่างสงบด้วยเลยบอกว่าตัดสินใจกันได้ดีนะ่าจะว่าไงเลยทุกคนตกลงกันตามนี้จึงไปกระซิบที่หูบอกว่าปล่อยวางซะปล่อยวางเจตนาที่จะบริกรรมเพื่อรักษาธาตุขันตัวเองไว้เพื่อจะรักษาล่างกายตัวเองไว้ให้ปล่อยวางลงให้ปวางลงเดี๋ยวนี้ อย่าจมไปกับเรือที่มันผุแล้วร่างกายนี้เปียบเสมือนเรือที่มันผุหมดแล้วทั้งตัวมันรั่วหมดทั้งลำแล้วแต่เราเอาพุทโธไปอุดไว้น้ำมันเลยไม่เข้ามันเลยจมไม่ได้แต่เราเนี่ยมันจะถึงจะอุดมันยังไงอ่ะก็มันรั่วหมดแล้วมันจะไปยังไงล่ะมันไม่มีทางไปแล้วใจเราเนี่ยต้องสละเรือลงต้นทะเล แล้วเราเรีบขึ้นบกซะอย่าจมไปกับเรือเราพูดอยู่ต้อพักใหญ่เป็นวันๆเนี่ยแกก็ไม่ค่อยยอมเดี๋ยวแกก็เพื่อขึ้นมาอีกไม่ยอมทิ้งแกก็พูดโตพูดตพต พ, ตพตอา้าวไม่ทิ้งอีกนะละเราก็ปล่อยวางปล่อยวางสังขารร่างกายมันรั่วมหมดแล้วมันผุหมดแล้วมันพังหมดแล้วจะไปยังไงจะเข็นไปยังไงเนี่ยเหมือนเกวียนที่มันเนี่ยลากไปไม่ได้แล้วซ่อมจนไม่มีที่ซ่อมแล้วเนี่ย เอาพุทโธไปซ่อมจะไม่มีที่ซ่อมแล้วจะซ่อมอย่างไงเนี่ยันไปอย่างไงก็ไม่ไปอย่างไงหรอกสู้ปล่อยวางมันทิ้งลงก้นทะเลลึกแล้วก็ขึ้นฝั่งซะอ่ะพอแกยอมจะปล่อยวางแตเดี๋ยวพยาบาลมาเอาไอ้ไอสายยางมาดูดน้ําลายไปจิ้มดนกับแกเขาแกจะดุ้งเหือกขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธอ้าวเป็นอีกแล้วเอ้ยไม่ตายอีกแล้ว เอจิตมันพุทโธอัตโนมัติเลยนี่โอ้ยตายแล้วเราก็พูดไปพูดไปพุดท้ายแกใจเกิดจึงยอมวางสังขาร น, นะถ้าแกใจไม่ยอมวางสังขารเนนะี่ยก็อยู่ได้นะโอ้โหอำนาจพุทโธนี่เด็ดขาดมากเลยแกจึงยอมวางลงยอมสละเรือแล้วขึ้นฝั่งแกก็ไม่จมไปบนเรือไม่ไม่จมเมือกับสังขารที่กลัวตายแกก็ไปสวรรค์ได้ไม่ลงอภัย ไมไ่ไปเกิดปเปสารชาเปรตอสุรกายสัตว์นรกแต่ไม่บรรลุพณนิพพานตรงนี้ที่เราจะไม่ค่อยจะพอใจนักเพราะว่าเราปรารถนาให้ตัวเราและทุกคนเนี่ยไปจนถึงที่สุดเนี่ยแต่มันไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราสอนไม่ทันสอนไม่ทันเพราะอะไรถ้าเราปล่อยวางแต่เพียงร่างกายเราที่เป็นกายเนื้อเนี่ยให้มันจมแต่ก้นท้องทะเลเนี่ย มันจะมีไอ้กายอีกตัวเขาเรียกว่าลุบบูดูนาโตโลในเรื่องจิตคือพุทธะถ้าใครเคยฟังจิตคือพุทธะเนี่ยท่านใช้คําว่ารูปวิญญาณรูปวิญญาณคือมันยังมีวิญญาณเนี่ยออกมาเป็นรูปออกมาเป็นรูปยังไงออกมาเป็นรูปรูปร่างเหมือนตัวเรานี่แหละเมื่อร่างกายเราเนี่ยตายปุ๊บมันจะมีวิญญาณเนี่ยออกมาเป็นรูปรูปวิญญาณออกมาเหมือนตัวเราเดะเลย แต่ไอตัวกายเนื้อมันตายแต่ไอ้ตัวรูปวิญญาณเนี่ยมันไม่ตายวิญญาณเนี่ยมันออกมาเป็นรูปปกติวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นวิญญาณดั้งเดิมแท้ๆวิญญาณที่ไม่เกาะเกี่ยวพัวพันอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเนี่ยมันจะไม่มีรูปไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมันมันเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมันจะหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติกืนหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแต่ น, นี้มันออกมาเป็นรูปทุกคนเนี่ยมันออกมาเป็นรูปเลยกระเด็นออกมาเป็นรูป แล้วมายืนอยู่ในหน้าศพตัวเองเนี่ยหมอกลาลังผ่าตัดยังไงมาวางเย็บศพ ย, ยังไงอไก็ตามวิญญาณที่เป็นกายโป่งแสงเนี่ยเราเรียกว่ากายโปร่งแสงแล้วเนี่ยมันไปกระทั่งสงในงานศพตัวเองมันก็ไปยืนร้องไห้ในงานศพตัวเองไปนั่งร้องไห้ในงานศพตัวเองร้องไห้อยู่นั่นเนี่ <S <S <S มันมันทุกข์แสนสาหัสกว่าตอนเป็นมีชีวิตเป็นเป็นอีกเพราะมันไม่มีใครปลอบมันไม่มีใครปลอบไปตัวเนี่ยแล้วเป็นยังไงอ่ะ พอถึงเวลาเขาก็มาฉุดกระชากลากแล้วอีกตอนจะขึ้นไปไปเผาศพแล้วเขาก็มาลากนันนิลาบา น, นต้นหนึ่งก็มากระชากนุ่งผ้าเปี่ยวสีแดงมีเขาขาดหัวสีแดงมาเอาสามง่ามมาแล้วเอาสามงามมาสองตอนเพราะว่าไม่มีใครยอมไปง่ายๆหรอกที่จะฉุดกระชากลากไปง่ายๆไม่มีใครยอมไปจึงต้องมาสองตอนทุกครั้งไปตนนึงก็ฉุดกระชากลากไปอีกตนหนึ่งก็แทงไป เจ็บปวดทุกทรมานมากไม่ยอมไปกับเขาเาก็แทงเอาแทงเอาแทงเอาโอ้โหร้องโหยหวนก็ต้องยอมตามโดยเขาลากไปไปพิพากษาลงโทษไม่มีใครยอมเข้าตะแลงแกงง่ายๆหรอกทุกศบไปทุกไอจิตวิญญาณไปเราก็ว่าโอ้ตายตายตายโลกเบื้องหลังความตายนี่มันทุกแสนสาหัสไงมันไม่ใช่ตายนะเนี่ยแบบนี้มันตายแต่กายเนื้อจริงๆมันไม่ได้ตาย มันไม่ได้ตายมันเป็นทุกข์โศกเศร้าเสียใจไปถูกพิพากษาก็เข้าตารางแกงลงโทษพิพากษาลงโทษอีกโอ้โหอันนั้นอ่ะแสนสาหัสอันเนี้ยเราจึงบอกว่าถ้ายังเหลือไ อ, อ้กายโพ่งแสงไ อ, อ้จิตวิญญาณที่ยังมีรูปอยู่เนี่ยไม่น่าพอใจเลยแม้แต่ลูกศิษย์ก็ไม่น่าพอใจใไปเผาไปเผาศพไม่น่าพอใจเลย เพราะว่าอะไรโอ้มันทุกข์จริงจริงทุกข์จริงจริงเพราะเนียอย่างแม่สุลิมเนี่ยที่ว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนีย่าไเอ๋ยือกเอยไปเลยอะ่ะแม่สุลิมเนี้ยที่พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธที่บอกว่าให้สละสละเรือสละสังขารถ้ามันผูกอย่าจมลงไปก้นท้องทะเลเลยอย่าจมไปกับเรือลำนี้เลยเดี๋ยวมันจะมีจิตวิญญาณที่มันทุกข์มาก ถ้ามันจมไปกับจมไปกับเรือลเนี้ยเรา ห, วห่วงใยสังขารเนี่ยมันจะเป็นทุกข์เมื่อเราทุกข์กับการห่วงใยสังขารเนี่ยมันจะทุกข์กับอย่างอื่นด้วยแล้วอันนี้ยมันจะกระเด็นออกมาแล้วมันทุกข์ไอ้ร่างไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้จิตวิญญาณที่มันปร่งแสงเนี่ยมันมันก็จะไปทุกข์มากถ้าเราเนี่ยปล่อยวางสังขารร่างกายแล้วจมท้องทะเลไปแล้วเราก็เดินขึ้นฝั่งแล้วอย่างปาาภูมิอย่างเนี้ยเราจะไม่ทุกข์เราก็ไปไปสวรรค์ จริงดีดีกว่าไปนรกดีกว่าถูกเขาชักลากไปแต่ก็ไม่น่าพอใจเพราะอะไรไม่ว่าจะไปสวรรค์สูงขนาดไหนจะถึงลูก ป, ประพรมอลูก ป, ประพรมก็ตกนรกอีกสี่สุดก็ตกไปอีกตกไปสู่อบายอีกเพราะว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ตายแล้วถ้ายังไม่ได้ประโสดาบานขึ้นไปไปอบายได้หมดไปอบายได้หมดเทวดายังไม่ได้ประโสดาบานก็ไปอบาย ห, ห, หมดมนุษย์ยังไม่ได้ประโสดาบานก็ไปอบายไปอบาย นนั้โอกาสที่จะไม่ไปอบายมีเปอร์เซนต์เท่ากับดินในขี้เล็บพระองค์เนี่ยส่วนนอกนั้นเนี่ยทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่ไปอบายคือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านเปรตอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยเท่ากับพื้นดินในปัจจุบที่พระองค์ตัดโอกาสที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายตายแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาอีกทีเนี่ยมีโอกาสแค่ปริมาณดินในขี้เล็บพระองค์เนี่ยนอกกันนั้นเนี่ย ไปอบายหมดเท่ากับปริมาณดินในพื้นปฐพีนี่แล้วจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่โอกาสจะกลับมาไม่มีเลยพวกเราทุกคนเนี่ยไม่มีหรอกถ้าพลาดแล้วพลาดเลยมันต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานเปตอสุรกายสัตว์โรกกันหมดนั่นแหละแต่พวกเราก็ยังประมาทอยู่นี่ขนาดนะแม่สมลิมเนี่ยมีคนชี้ทางเจกระดันขนาดดับจิตเลยอะ ถึงไปสวรรค์ได้ถ้าไม่มีคนช่วยชี้ทางขนาดดับจิตก็ไม่แน่ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางสังขารร่างกายให้จมไปท้องทะเลแล้วก็เดินขึ้นฝั่งอย่างภาคภูมิได้ยังพอจะไปสวรรค์ได้แต่ถ้าปล่อยวางไอ้จิตสังขารหรือว่ารูปรูปเนี่ยรูปวิญญาณหรือวิญญาณที่เป็นรูปกายโปร่งแสงเนี่ยถ้าปล่อยวางตัวนี้ได้ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเหลือไอ้จิตวิญญาณเนี่ยที่ไอ้ที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ย มันไม่สามารถมารวมกับไอ้ไอ้วิญญาณหรือผู้รู้เนี่ยที่ไม่มีตัวตนได้เพราะว่าวิญญาณเนี่ยเมื่อมันยังอยู่ในร่างเนี้ยร่างนี้ก็เลยไม่ตายแต่วิญญาณไปรวมอยู่ในอีกร่างหนึ่งในร่างกายปร่งแสงที่เป็นไอ้จิตสังขารที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นความทุกข์มันร่างร้องไห้ได้เมื่อวิญญาณยังไปรวมอยู่ในตัวนั้นอะวิญญาณนั่เหมือนเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลย E. มันไปรวมอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็ไม่ตายที่เรียกว่าวิญญาณยังอยู่ในร่างนี้เมื่อไหร่ร่างนี้ยังไม่ตายแต่วิญญาณไปรวมอยู่ในร่างนู้นซะมันไม่รวมอยู่ในร่างนี้ออกจากร่างนี้ไปแต่มันไปรวมในไอ้ร่างที่มันมีความทุกข์ไอ้ร่างที่มีความทุกข์ได้คือไอ้ร่างที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีความปรุงแต่งได้มันถึงไปนั่งร้องไห้ได้แต่ถ้าเราไม่ยึดเอาไอ้ไอ้ไอ้ร่างกายเราเนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราเป็นร yeah <Around nement> ู้ <aw> <spells> แล้วเราไม่ยึดเอาไอ้ผู้คิดผู้นึกไอ้ตัวเราเนี่ยผู้คิดผู้นึกผู้ตื่นผู้ตองเนี่ยผู้มีอารมณ์ผู้มีความทุกข์โศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจเนี่ยเป็นตัวเราแต่เราเป็นรู้ว่าตัวเรากำลังมีอารมณ์อะไรเราเป็นรู้แต่ไอ้ตัวผู้คิดผู้นึกผู้ตื่นผู้ตองผู้มีอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเราเป็นรู้ไอ้รู้หรือวิญญาณเนี่ยเราเป็นวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้ไม่ใช่ว่าวิญญาณแปลว่าผีวิญญาณแปลว่ารู้ไอ้ที่ชาวบ้านก็แปลวิญญาณแปลว่าผีก็คือวิญญาณที่มันไปรวมกับไอ กายโปร่งแสงเนี่ยวิญญาณที่ไป็นรวมกับกายโปร่งแสงไปรวมไหมรูปวิญญาณเน่ยวิญญาณที่ยังเป็นรูปคือเป็นไปนยึดเอาไอ้ส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแต่ไม่เป็นรู้ผู้ที่มาลู่ว่าตัวเราคิดนึกคิดตอมปรุงแต่งอะไรเราเป็นรู้แต่ไอ้ตัวเราที่คิดนึกคิตอมปรงแต่งอะไรเนี่ยมันเป็นอีกรูปหนึ่งคือรูปวิญญาณที่มันยังไม่ดับออกจากร่างนี้ไปมันก็ไม่ดับในกายเราเนี่ยมันจึงมีสาม จึงมีสามนะฟังให้ดีนะ้ในการเราจะมีสามคือกายเนื้อนี่ร่างกายกายเนื้อนี่ที่มันอยู่ได้เพราะว่าเรายังกินธาตุดินคือซากซากศพวัวซากศพควายซากศพหมูซากศพเป็ดซากศพกุ้งหอยปูปลาซากพืชซากสัตว์เรากินทุกมื้อนะ่ะนี่เรายังกินอยู่ยังกินซากศพเข้าไปได้กินธาตุดินเติมเข้าไปไรเนี่ยเดี๋ยวก็เอาน้ํามาถวายเนี่ยเอาน้ํามาประเคนเราก็กินธาตุน้ําธรรมชาติเข้าไป แล้วก็กินาธาตุลมเรายังหายใจเอาเอาอากาศเข้าไปแล้วเรากินเ อ, อาธาตุไฟนี่ความร้อนนี่อากาศมันร้อนนี่เราก็กินเข้าไปเรายังกินธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟร่างกายมันไม่ดับเพราะเราเติมธาตุอยู่เรื่อยแต่เมื่อไหร่อ่วิญญาณออกจากร่างนี้แล้วเนี่ยไอ้ร่างนี้ก็เน่ทาทันทีเพราะว่ามันกินแต่ซากศพกินแต่ของเน่าเน่ามันพร้อมที่จะเน่าแล้วแต่วิญญาณยังอยู่มันเลยไม่เน่าพอวิญญาณออกจากร่างนี้เมือ่อไหร่เนี่ยไอเนี่ยเน่าเลย แต่พอวิญญาณเนี่ยมันออกจากร่างมันกลับไปรวมกับไอ้อีกร่างหนึ่งคือมันมีร่างกายกายเนื้อและไอ้ร่างที่มันเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์คือตัวเราเนี่ยไอ้กายเนื้อเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ได้แต่ในร่างเราเนี่ยมันมีมันมีนามกายเหมือนกับว่ารูปกายนี่เป็นรูปกายแล้วมีนามกายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเรียกว่าเป็นนามกายมันมีนามกายอันนี้รูปกายแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะเรียกว่านามกายส่วนร่างกายเนื้อเนี่ยเราเรียกว่ารูปกาย ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เนี่ยมันมีอีกร่างหนึ่งคือร่างนามกายซึ่งมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ถ้าเราเนี่ยยังยึดเอาไอ้กายเนื้อเป็นราวเป็นตัวราวเป็นตัวตนของเราหรือไม่งั้นเรายึดเอาไอ้ไอ้ตัวที่ไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นนามกายเป็นตัวราวเป็นตัวตนของเราเราก็จะติดอยู่ในตัวกายโปร่งแสงนั่นแหละไอ้ตัวรูปนามกายไอ้รูปวิญญาณเราไม่ดับ เพราะอะไรวิญญาณที่แปลว่าผู้รู้เนี่ยมันไปรวมกับไอ้ผู้ปรุงแต่งไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเป็นผู้ปรุงแต่งส่วนไอ้วิญญาณเป็นผู้รู้เนี่ยมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่มีอะไรเลยมันมีแต่รู้แต่ตัวมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีรูปพันสันฐานมันไม่มีมันมีแต่รู้มันไม่มีทั้งสว่างไม่มีทั้งมืดไม่มีทั้งผ่องใสไม่มีทั้งเศร้าหมองไม่มีทั้งโป่งโล่งเบาสบายไม่มีทั้งแน่นอึดอัดมันมีแต่รู้รู้ว่า ไอ้ร่างกายกายเนื้อเนี่ยแล้วก็มันมีเอกนามกายเนี่ยมีความรู้สึกแน่นอึดอัดทึบหรือโป่งโล่งเบาสบายไอ้แน่นอึดอัดทึบหรือโป่งโล่งเบาสบายเนี่ยมันเป็นเวทนามันเป็นเวทนามันเป็นเวทนาขันไอ้มันมันเป็นนามกายไอ้สัญญาความจําได้หมายรู้ไอ้สังขารเนี่ยคือความคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นสังขารขัน มันเป็นนามากายแล้วก็วิญญาณที่ไปรับรู้ทางตาหูเจ้าหมุล่นกายใจมันเป็นวิญญาณนขันดงนั้นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยและผู้ที่ตั้งใจไปรู้จิตผู้ที่พยายามไปเพ่งจิตผู้พยายามไปดูจิตเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นวิญญาณนขันบวกกับสังขารขันคือมันต้องอาศัยความตั้งใจจงใจเจตนาพยายามจะไปดูจิตรู้จิต การที่เราจะเข้าไปดูจิตรู้จิตได้เนี่ยเราเหตุที่อะไรเราจะต้องดูจิตรู้จิตก็เพราะว่าถ้าเราไปดูอย่างอื่นมันไม่พ้นทุกข์นะเราไปดูอย่างอื่นมันไม่พ้นทุกข์มีแต่ปรุงแต่งปุ้งสร้างดูคนนู้นดูคนนี้ดูคนสวยดูคนหลอ่อไปยุ่งวุ่นวายกับลูกกับหลานไปเชื่อเขาคิดคิดกัดนเขาชีวิตมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์มันไม่พ้นทุกข์พระพุทธองค์จึงให้มันรู้ร่างกายจิตใจของเราเพื่อให้อะไร เพื่อให้ปล่อยวางว่าร่างกายเนี่ยคือกายเนื้อเนี่ยหรือรู ป, ปรกายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ประสมมาตั้งแต่ธาตุดินคือสเพิรมของพ่อธาตุน้ําคือไข่ของแม่แล้วก็แม่ก็หายใจเอาลมหายใจเข้าไปธัดลมแล้วก็ถัดไฟเอาเข้าไปแล้วไปกินซากศพวัวซากศพไก่ซ า, ากศพหมูซากศพเป็ดกุ้งหอยปูปลากินซากศพทุกวันทุกวันแล้วเราก็ดูดเอาน้ําเลือดน้ําเหลืองเข้าไปทางสายลกไอเลือดเนี่ยมันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น โตขึ้นเนี่ยเราไม่ได้มีรูปร่างเป็นตัวเราเนี่ยเหาะมาจากฟ้ามานั่งนี้นะไอตัวที่มันโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยมันเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ธาตุมาผสมกันแล้วก็วิญญาณเนี่ยธาตุวิญญาณเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาผสมกับธาตุดินน้ำลมไฟพอวิญญาณมันเข้ามาผสมแล้วเนี่ยมันจึงมีขันห้าขึ้นมาคือเป็นชีวิตเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีชีวิตมีความ คิดนึกตึกตอนปรุงแต่งร้องไห้ได้เสียใจได้ถ้าวิญญาณนันไม่ผสมกับดินน้ําลมไฟเราก็กลายเป็นเหมือนตุ๊ ก, กตาบาร์บี้ไม่มีชีวิตจิตใจเขาเลยสร้างตุ๊ ก, กตาพย า, ยามญี่ปุ่นในเรื่องนี้มันสร้างเราไปดูเข้าไปดูนี่นะญี่ปุ่นมันสร้างตุ๊ ก, กตาจุ ก, กระทั่งอ่ะสามารถมีสามารถยิ้มได้ร้องไห้ได้แต่เนี้ยเขาว่านะไปพัฒนาถึงกับร้องไห้ได้แล้วได้แต่มันจะร้องไห้อยังไงได้มันไม่มีชีวิตจิตใจมันขาดตัวสําคัญคือวิญญาณถ้ามันมีวิญญาณเข้าไปผสมเนี่ย มันก็มีชีวิตจิตใจทันทีคือตัวเราแบบเราทุกคนนี่ไงดังนั้นเนี่ยไอ้ร่างกายที่เขาผสมเน่ยถ้าไม่มีวิญญาณเนี่ยนั่นมันก็คือไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยน่ะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้แต่เราจริงคือวิญญาณที่เข้ามาผสมนั่นแหละกับไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้คือตัวเราเนี่ยเปรียบเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้แล้วก็ไอ้วิญญาณก็เข้ามาผสม เราไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวที่ก็สร้างมาเนี่ยที่ธรรมชาติมันสร้างมาให้เราเป็นมันนั่งกันทั้งตัวอยู่เนี่ยเราค่อยๆพองมาจากก้อนเลือดเล็กๆแต่พอเราเข้าผสมปุ๊บมันก็เลยอตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้คือตัวเราเนี่ยที่มันมันก็เลยมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วก็ร่างกายเราค่อยๆพองขึ้นมาก็เลยเริ่มมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็เริ่มมีประตูใจมันเลยเริ่มมีหกประตู มันมีที่หลังในหกประตูเนี่ยมันมาจากมีนามรูปก่อนก็คือมีเวทนาสัญญาสังขารมิญาณมีความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ก่อนแล้วไอ้ร่างกายมันก็เลยพองพองพพอเพราะว่ากินสับสับศพวัวสาบศพวกยสาบพืชสับสัตว์มันก็ได้เริ่มเป็นขันห้าเต็มตัวพอขันห้าเต็มตัวคือมีนามแล้วก็มีรูปเต็มตัวปุ๊บไอ้ตาหูจมูลิ้นกายใจก็ค่อยงอกขึ้นมาที่กระบวนการเหล่าเนี้พระพุทธเจ้าสัตว์ไว้ค้นพบไว้พุทธเจ้าจึงตัดว่าเพราะอวิชาอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร เอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารคือเนี่ยสเปิมกับพ่อกับไข่ไข่ของแม่ผสมกติดแล้วก็หายใจเอาธาตุลมธาตุไฟเข้าไปสี่ธาตุไปเคี่ยวจนเป็นหยดเลือดเล็กๆจนเป็นหยดเลือดเล็กๆแล้วก็ค่อยพองขึ้นเรื่อยอะผสมติดเป็นสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เลยมาเข้าเลยมาเข้ารวมกับสังขารคือดินน้ํำลมไฟที่ผสมปติแล้วก็วิญญาณก็เลยเข้าผสมกันได้ถ้า ดินน้ำลมไฟมันแท้งไปเด็กมันแทงตั้งแต่อยู่ในคันเนี่ยวิญญาณมันก็เข้าผสมไม่ได้เพราะว่าเด็กมันแท้งไปแล้วไงแต่มันเลยผสมติดเพราะอะไรอวิชาเป็นปัจจัยนี่นะทําให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณเข้ามาผสมติดวิญญาณเป็นปัจจัยนี่ไงพอเข้าผสมปุ๊บเลยเกิดนามรูปนามรูปก็คือเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เริ่มมีความรู้สึกเมืิดอารมณ์ได้ในในก้อนเลือดนั้นก้อนเลือดนั้นยังไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพอมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดสลายญตนะอายตนะหกมาสลายะตกะแปลสลายก็แปลว่าหกสลายญตนะก็คืออายะตนะหกคือเริ่มมีตาหูจมูกนิ้นกายใจงอกทีหลังเพราะมีอายตนะหกจึงมีผัสสะ คือมีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการรู้รสมีการรู้สัมผัสและก็มีรู้ความรู้สึกมึนคิดอารมณ์รู้อาการทางใจได้เรียกว่ามีภาษะเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดเวทนาคือสิ่งใดถูกใจรู้สึกเป็นสุขสิ่งใดไม่ถูกใจรู้สึกเป็นทุกข์สิ่งใดไม่ได้เกิดความถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นกลางกลสิ่งใดถูกใจก็เรียกว่าสุขเวทนาสิ่งใดไม่ถูกใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาสิ่งใดไม่ได้ถูกใจไม่ถูกใจก็เรียกว่าอทุกขขมาสุขเวทนา เพราะความไม่ทันเวทนาเนี่ยเพราะสิ่งใดที่ถูกใจก็ลุ่มหลงหัวปักหัวปําชอบลุ่มหลงมาตั้งแต่จําความได้สิ่งใดก็ที่ถูกใจก็ลุ่มหลงเพราะไม่รู้ว่าเป็นมันมันเป็นกระบวนการไล่มาตั้งแต่แรกจนมาเกิดเวทนาเพราะถูกใจเป็นถูกเวทนาก็ยึดโดยทัวนี้อยากได้โหยหาเป็นตันหาเลยสิ่งใดถูกใจก็อยากได้โหยหาก็เป็นอุปทานคือมีตัวเราเข้าไปยึดบ้านถือบ้านเพราะมีอุปทานก็เกิดพบพบขึ้นในใจเตรียมที่ไปเกิดใหม่ แล้วก็ชาติมันก็เกิดขึ้นในใจเพราะตายแล้วมันก็กระเด็นออกไปนี่ไงไอ้ตัวมันก็เลยไม่ดับนี่ไงเพราะชาติเป็นจจตยจึง ม, มีการเกิดการตายต่อไปอีกเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงทําให้มีการการเกิดการตายเป็นชะลาอ่าไม่ใช่ชรลามรณะโตกะปลิเทวะทุกขะโทมรัตอุปายาสะมีความทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจ เนี่ยน้ำตาไหลออกจากตากันจิตซึมเศร้าเศร้าหมองกระบวนการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบด้วยพระองค์เอง